Thank mm -hmm. you.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 ไม่งันนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปแสดงให้ท่านดูถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่อาจารย์บอก70ปีที่แรก8ตอนหลัง30มสตอนนี้70เลยชายหนุ่มก็อึ้งมาแต่ก็ไม่มีทางเลือกก็ยอมตามที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกก็เรียกว่าไม่แน่ใจแล้วว่าชาตินี้นี่จะได้เรียนจบวิชานี้หรือเปล่า แต่ว่าแกก็มีความตั้งใจอยู่ปรกอว่าเรียนแค่สองสปีเท่านั้นแหละก็สำเร็จวิชากลายเป็นนักฟันดาบที่มีความสามารถได้เรื่องนี้ท่านจากพุทธาพูดเพื่อที่จะชี้จะเห็นว่าการที่เราเนี่ยมีความตั้งใจมากมันก็สามารถจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติได้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 ให้ความอยากนี่เป็นอุปสรรคนะกับการปฏิบัติโดยเพพาะวิชาที่ต้องอาศัยการฝึกจิตเข้ามาประกอบยิ่งการเจริญสติปัฏฐานการทำสมาธิภาวนาดูแลนี่ยิ่งต้องใช้จิต ท, ที่เป็นกลางอย่างยิ่งจิต ท, ที่มีความร้อนวนกระวนกระวายมีความอยากอยากจะเรียนให้เสร็จไวๆอยากจะเรียนรู้เร็วๆพวกนี้ หรืออยากจะได้อะไรที่มันเร็วๆมันก็กลายทำให้เป็นความเนื่นชาไปได้ในสายพุทธการก็มีตัวอย่างหลายครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เจอนักปฏิบัติแบบนี้คราวหนึ่งพระปชาสมนา ค, คือพระเมกียะท่านเดินบินธบาาไปกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เพินไปเห็นสวนมะม่ว ง, วงร่มรื่นก็เกิดความอยากจะไปปฏิบัติที่นั่น อยากจะไปหลีกเล่นเพราะว่าบรรยากาศดีมากตอนนั้นมีความกระตือรือร้นมากเลยก็ทูลขออนุ ญ, ญาตพระพุทธองค์พระองค์ก็แม่อนุญาตทั้งทั้งที่ปกติพระองค์นี้ก็สนับสนุนนะให้ใครหลีกเล่นไปปฏิบัติอยู่โคนไม้นะไปปฏิบัติในโคนไม้ใต้โคนไม้หรือว่าในที่สงบสงัดท่านก็สนับสนุนแต่ว่าในกรณีนี้ท่านพระองค์ก็ ทัดธานเอาไว้ให้เห็ุผลว่าตอนนี้มีแค่สองให้มีพระลูกอื่นมาก่อนนะแล้วก็ท่านก็จะไปได้พระองค์ทัดทานถึงสามครั้งเพราะเห็นว่าพระเมกานนะีไฟกาําลังแรงใจที่มีความอยากอย่างนั้นเน็ต จ, จะไม่ทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าีพระเมกิยาก็ยังยืนปรานที่จะไปพอไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอย่างที่พระองค์ได้คาดการเอาไว้ อีกกรณีห น, หนึ่งก็อย่างที่เคยไลฟ์ฟังนะภัยยะภัยยะนี่เคยสําคัญตวัวมาเป็นอรหรันนะแล้วก็เพลินกับคํายกย่องเพราะคล้ายๆก็สรรเสวนว่าถ้าเป็นอรหันแล้วจนกระทั่งเพื่อนนี่มามาบอกนะเพื่อนนี่จริงๆเาว่าตายแล้วก็มาเป็นเทวดามาบอกว่าไม่ใช่นะพระ เ, เจ้าองค์จริงมีอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งก็จะเป็นเชตวันภัยยะก็เลย เกิดความกระตือรือร้นมากเรียกว่าเดินทั้งวันทั้งคืนตามเรื่องก็มาเป็น100ยร้อกิโลเมตรไม่ได้หยุดเลยเรียกว่าไฟแรงมากไปถึงเมืองก็พอดีพระพุทธองค์กำลังเสด็จบินธบาติภัยยะก็ตรงเข้าไปกราบถูลให้พระองค์แสดงธรรมพระองค์เห็นภัยยามาเช่นนี้ก็เลยปฏิเสธเพราะว่า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 รับรู้กายสัมผัสสัจธว่ารู้แจ้งในธรรมารมพือความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนะเมื่อนั้นเธอยังไม่มีเมื่อเธอไม่มีเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เพื่อคือมีสตินะรูปรูปเกี่ยงเสียงสัมผัสธรรมารมเท่านั้นแหละเท่านั้นปัญญาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเรียกว่าเป็นเอสทัคขะได้านการตัดสรุปเร็วแต่ว่าไม่ทันได้ บวชนะก็โดนวัวขิดตายอาจจะเป็นพระพุทธองค์ทรงมียานอย่างเห็นว่าภัยยะคงจะมีชีวิตได้ไม่นานพกมนก็เลยแสดงธรรมแต่ว่าพุ่มก็ปฏิเสธไปก่อน3ามครั้งเพื่อพเพื่อให้ภัยยะนี้ใจเย็นลงใจเย็นลงพอใจเย็นลงเนี่ยนะมันก็เรียกว่าใจก็เปิดกว้างรับธรรมะแล้วก็สามารถที่จะเกิดปัญญาได้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 ก็จะว่าเป็นนิวณ์ตัวนึ่งก็ได้นะไอ้ตันหาเนี่แต่ว่ามันไม่ใช่ในใ น, ใ น, นิวณ์หอาจจะเป็นนิวรณ์หกก็ได้คือเป็นอุปสรรคขวางการปฏิบัติใจที่อยากจะปฏิบัติใจที่อยากจะได้หรือไม่ได้เพียงตั้งท่าอาจารย์ประโมทเคยเล่าสมัยที่เป็นคารวาร่าเคยไปกราบหลวงพ่อรุ่นที่สุรินตอนเช้าก็ถอยจังหันกินอาหารชาดเสร็จอาจารย์ประโมทอาจารย์ค า, ารวะก็เดินไป จะไปถูฟันหลังจากกินอาหารเช้าก็ไปเดินเห็นเก้าอี้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีสระอยู่ใกล้ๆร่มรืนมากก็ตั้งใจว่าจะไปนั่งภาวนาตรงนี้แหละเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละก็มีเสียงตะโกนมาจากอีกด้านหนึงของสระบอกว่าโยมคิดนั่งภาวนานก็ผิดแล้วล่ะท่านมองไป อีกฝ่าหนึ่งของสรเป็นหลวงพหลุนกําลังถือขันถือแปรงกำลังจะถูฟันแต่ท่านรู้บาลจิตนะขนาดไกลถึงคนละฝ้าของสระก็บอกเลยว่าคิดนั่งภาวนานี่ก็ผิดแล้วละ่ะเพราะจริงๆมันไม่ต้องภาวนานที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งภาวนานตรงนี้อันนี้ไปเกิดความเข้าใจว่าภาวนานนะีมันต้องมีสถานที่ที่เหมาะหรือว่าต้องตั้งท่าพอตั้งท่าจะภาวนา้ก็ผิดแล้วเพราะจริงๆมันต้องาการภาวนานต้องไปกลมกลืนกับชีวิต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 เจ้าตัวไม่ได้คิดว่านี่คือการปฏิบัตินะแต่เนื่องจากเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็กลับบรรลุผลในการปฏิบัติขึ้นมามันก็เหมือนกับน้ําเดือดนะไม่ว่าจะเอาน้ําไปตั้งตาไม่ว่าจะตั้งใจให้มันเดือดหรือไม่เดือดถ้ามันได้อุณหภูมิมันก็เดือดอยู่วันยังค่าหรือเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่าไก่เนี่ยถ้ามันฟักไข่เนี่ยแม้ว่าแม่ไก่จะไม่ได้ตั้งใจจะให้ไข่มันออกรูกเป็นตัวแต่ถ้าฟักได้ถึงที่นะมันก็ออกรูกเป็นตัวได้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 กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแต่ต่อมาก็จะเรียนรู้ในการรู้กายรู้ใจสติมันทําได้หลายอย่างโจรที่เหยบกล้นบ้านก็ต้องใส่สตินักขับรถซิ่งมอเตอร์ไซค์วิบากก็ต้องใส่สติแต่มันเป็นสติที่ไปกําหนดอยู่กับสิ่งภายนอกสติทำหน้าที่นะกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์นี่คือหน้าที่กวา้วางของสติที่ถ้ากํากับจิตเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์แบบไหนอารมณ์ข้างนอกเช่นกําลังขับรถ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 ก็กลับมาหรืออาจจะทําด้วยความงงเงียก็รู้ในอาการนั้นเวลาถ่ายหนักก็อาจจะครึ่งนิ้วไปตามลมหายใจไปขยับมือไปมาก็ได้คือให้มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเวลาบินธบาตในการบินธบาตรก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมขณะที่รับบาทยืนนิ่ ง, งก็อาจจะเอามือคลึงนิ้วครึงนิ้วกับ้าบาทก็ได้หรือนำลมหายใจไปเล่นๆก็ได้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 แต่ว่าในขณะที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะมีทั้งตัวความคิดมันจะมีทั้งตัวเวทนาเวทนาก็เช่นอาหารอร่อยก็กระสุขเวทนาขึ้นพอกระสุขเวทนาขึ้นคนันใจมันล อ, อยได้ง่ายเลยเกิดความยินดีใจก็ลอยแล้วเจออาหารเผ็ดเจออาหารไม่ถูกใจก็อาจจะปรุงแต่งความรู้สึกปรุงแต่งอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งหรือว่าพอกินอาหารอร่อยมันก็เคี้ยวมับห ม, บ ม, บ ม, บมบัไม่ทันได้กลืนไม่ทันได้เคี้ยว มันเพลิน ม, มันดื่มดมไปกับรสชาติอาหารลุมตัวก็มีนะบางทีตอน น, นจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าใจนี่มันเพลินไปกับรสชาติของอาหารมันเคลิ้มไปกับสุขคุเวทนาพวเราจะเคยเจอเคยเป็นเคยเพราะมาอยู่ที่นี่บางทีอาหารไม่ถูกปากอยู่หลายๆวันเสร็จแล้วก็มีอาหารถูกปากเข้ามาใจมันกลืนมันกลมกลมกลืนถูกดูดเข้าไปกับอาหารไปเลยอันนี้เราก็รู้ทันระหว่างที่เรากินเนี่ยบางที ก็ต้องดูกายพบาะกายบางทีมันวางแก้วเสียงดังที่นี่พื้นเป็นพื้นหินเวลาวางแก้วบางทีพอขิงเพลินไปวางแก้วก็ดังใช้ช้อนใช้ซ่อมพอไม่มีสติมันก็ดังพอมันเพลินกับรสชาติของอาหารหรือเพลินกับความคิดเวลาตักอาหารตักข้าวทั้งหมดนี้มันเป็นการเป็นเวลาหของการเจริญสติได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะ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 หรือว่ามีคติเช่นอาจจะรู้สึกไม่สะอาดรู้ึว่ามันเป็นอาหารที่มันมีกลิ่นอันนี้มันก็ต้องเห็นมันนะการนักนัหานี่มันก็เป็นเวลาของการเจริญสติที่ดีมากเวลาอื่นก็เหมือนกันเวลาพูดคุยกันอ่ามันก็เป็นการเจริญสติได้แต่ว่าเจริญสติมันอาจจะไม่ชัดมันอาจจะเป็นเรื่องของการไปรับรู้คําพูดของเขาที่พูดออกมาแต่มันก็เป็นการดูใจได้เพราะเวลาฟังแล้วเนี่ยใจรู้สึกอย่างไร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 เราสังเกตตอนที่ที่จะสริรจะแซนี่มันมีความเสียอย่างไงเนี่ยมันมีอะไรที่หน้าหน้าอกหรือเปล่ามันอยากจะพูดมันอยากจะเป็นเสียงมันนั่นที่น่าอกไหมอันนี้ก็เห็นกายไปถ้าสังเกตนะเวลาเราฟังใครพูดเนี่ยชาใจเราหย่อนไปหน่อยหรือเผลอไปก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่ต่อเนื่องแต่ชาใจเราเพ่งเพ่งดีคําพูดแต่และคําแต่และคํามันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะลองสังเกตดูนะ แตกอ น, นิปฏิบัติเราไม่เข้าใจคิดว่าคือการเพ่งคนมาพูดนี่ก็เพ่งเขาทุกคำํำทุกคํมามันเลยฟังไม่เข้าใจในภาพรวมประโยครวมพูดไปจบประโยชน์แล้วยังบางทีไม่เข้าใจชัดเพราะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไปอยู่กับอดีตมันไปอยู่กับคําแต่ละคําที่เพิ่งพูดเสร็จอันนั้นเป็นเป็นอดีตไปแล้วเพ่งก็ไม่ได้นะ mm. รับเผลอก็ไม่ได้นะเวลาฟังคนคุยกันหรือว่าสนทนากันหรืออย่างเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยฟังคําบรรยายนี่นะ